ฟังทรมกันเนาะเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเรากำลังปฏิบัติกันอยู่ได้ยินได้ฟังได้ฟังพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เราก็ได้ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอามาทำดูเราก็ได้ยินครูบาอาจารย์ที่บอกให้สอนเราก็ออ ก, การได้ยินมาทำเมื่อเกิดเลยขึ้นกับเราเวลาเราไม่สติก็ให้ทำเหมือนที่เราได้ยินมา เช่นการเจริญสติสัมมาสติเห็นกายอยู่เป็นประจําแล้วก็ทำให้เห็นกายเป็นประจําโดยอาศัยรูปแบบของกรมฐ า, านนั่นเรามาํานที่มันชัดเจนที่สุด ที่ทำได้ทุกคนทันทีสำหรับอริบทองตางเรียกว่ากายวัฏพระดังที่วจัยปีดกตั้งอยู่ที่น้นสอนชงศิ้ปได้ทำไว้โน่น แล้วก็วัพภาคการเคลื่อนไหวของกายให้รู้จักตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายอาศัยกายเป็นที่ให้เกิดความรู้จักตัวเท่านั้นอันอื่นที่มันเกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าให้กลับมารู้จักตัวจึงจะถูกต้องเราก็จะเห็น ได้สอนตัวเองได้เรียนรูปประสบการณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายมากมายหลายอย่างแล้วก็เห็นจากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกคนแล้วแต่ใครจะเกิดไ้วขึ้นมาขณะที่เรามีสติ ก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเปิดออกคนมีสติต้องเห็นมันเราเลืมตาก็ต้องเห็นอะไรต่างๆที่เป็นรูปให้เราได้เห็นสติเป็นตาในมันเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะได้เห็นก็ให้กลับมาสักแต่ว่าให้รู้สึกสักแต่ว่ารู้สึกตัวแล้วก็ปฏิบัต กรรมฐานทมวิชากรรมฐาน น, านันนั่นกลับมาลู่จุดตัวกลับมารู่จุกตัวกลับมารู่จุดตั ว, ตวอะไรอะไรมันเกิดขึ้นมาก็าให้กลับมารู่จุกตัวให้กลับมารู่จุดตัวให้กลับมารู่จุดตัวข้างแล้วข้างเล่าแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็กลายมาเป็นความู้จุกตัวหมดนี่วิธีปฏิบัติ เหมือนกับการเดินทางถ้าได้กลับมารู้สึกตัวก็พ่านอะไรามากมายถึงที่มันเกิดเกิดกายกับใจเรามีเยอะแยะก็มาถึงความรู้สึกตัวจังถ้าถึงความรู้สึกตัวกับวิชากรรมฐานเราใช้รูปแบบคิดมาหาที่ตั้งอยู่เสมออย่างนี้ แล้วก็ไหวเป็นพวงพวงวงรู้สึกตัวที่มันเกิดจากนี่กลับมารู้จักตัวที่มันก็เกิดกขึ้นไรขึ้นวางเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาในตัวเสร็จอะไรอะไรเกิดขึ้นมาก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวรวมที่เป็นอกุศลก็หมดไปหมดไปเป็น ตามกันหมดตามกันหมดเล้วกวามชั่วทำความดีไปไหมตัวเสียจเอาอันนนไว้ข้างหลังเอาอันนี้ไว้ข้างหลังพอมันผ่านถ้ากับอารู้สึกตัวมันก็ผ่านทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นหนากับกายกับใจเออเราก็อาศัยกายอาศัยใจนี้ให้เป็นที่ให้เกิดความรู้สึกตัว ให้ทำอย่างนี้เรื่าวิชากรรมฐานวิธีปฏิบัติกรรมฐานอย่าไปเอาผิดเอาถูกขอเทียไปผิดไปถูกเป็นตัวเป็นตนไปผิดก็ไม่ชอบถูกก็ชอบสงบกลมชอบไม่สงบกลมไม่ชอบอย่าไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่กรรมฐานมันติดมันค้องเหมือนว่ามั น, มนอนเวียน เมื่นช้าอะไรก็เป็นตัวเป็นตน้นเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกทำได้ทำไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นเอาได้เอาไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเอาผิดเอาถูกนั่นไม่ถูกต้องเป็นลีลีขงัญขวงไปทางขวง นั้นขวงไว้มีตัวไม่ตนขวงไว้ไม่ให้เห็นสักแต่ว่าถ้าเป็นสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์มันก็ขวงสักแต่ว่าไว้และเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมามากแล้วก็หัดทวนกระแสให้กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวคือการทวนกระแส อาจจะยากสักหน่อยัวที่ลูกก็สุขไปแล้วทุกไปแล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นไปแล้วเป็นสุขก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นผิดก็เป็นผิดไปแล้วมันไปแล้วมันไปคนละทางเราเคยไปทางนั่นเราเดินทางแบบนั้นมาจนถึงวันนี้ มันก็จะเคยชินแบบนั้นหอว่าอนุสัยจิมหานิสัยใหม่นิสัยตามพระพุทธเจ้าขนนิสัยใหม่ให้กำมารู้สึกตัวมาไปทางนี้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าให้เดินตรงนี้ดูแขนเข้ารู้สึกเยื่อแขนออกรู้สึกเนี่ย อะไรเกิดขึ้นมากับ่าคู่แข่งเข้ารู้สึ ก, กอยาสจะดกรู้สึกต่กสบายสบายไม่ต้องรลีดไม่ต้องทุ่มเทมากมายไม่หลับไม่นอนเพ่งแรงจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้อย่างนั้นไม่ถูกยิ่งจะเอาก็ยังไม่ได้มันเอาไม่ได้ไม่จะเห็นไม่เป็นจะจะเอาไม่ ให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เรียกไปผิดทางแล้วยี่สี่สิบวันจะเอาให้ได้จะให้บรรลุทำให้ได้ลราเป็นตัวเป็นดอนผู้ได้เป็นผู้ไม่ได้เพราะมีจะเอาให้ได้ก็ต้องมีไม่ได้เป็นคู่กันถ้าอย่างผิดก็มีความถูกเป็นคู่กันให้เห็นเนี่ยให้กับบารลุจักตัวนี่ ที่ปฏิบัติถ้าทำถูกมันง่ายง่ายมันยิ้มยิ้มพูดในวันก่อนว่าผู้ปฏิบัติทมที่ได้ผลว่าอย่างนั้นนะผู้ปฏิบัติทมที่ถึงเดี่ยวคือคือยิ้มยิ้มคือยิ้มยิ้มคือกลับมารู้สึกตัวเนี่ยันไม่มีอะไรที่ขวาง มาอะไรอะไรเกิดขึ้นมากลับมาถึงความรู้จักตัวกลับมาถึงความรู้จักตัวนี่อันที่ได้กลับมาบางอย่างก็หยาบลาบางอย่างก็ปา น, นี้ละเอียดเท่าไหร่ก็กลับมารู้จักตัวเช่นสุขหรือว่าเป็นปิติหรือเป็นปิปัจจนุหรือว่าเรียกว่ากินตฑารหรือ ต่างๆที่มันทำให้หลงนี่ความสุขความสงบก้าไม่ชำนาญในการกลับมาความว่าจะพัดไปอยู่แบบนั้นได้เห็นจินตยานรู้ไปกลายเป็นวิปัสสนูไปวิปัสสนึกไปคิดนึกไปตกหลังความรู้ตกหลังความคิดแต่ขานไปต่างๆ เลก็กลับมารลยากถ้าบางทีกว่าจะกลับมาก็จนหลอมสุขที่มันเป็นวิปัสสโนจืดไปไม่มีอะไรเหลือตรงมาตั้งต้นใหม่ลาคู่ฉันเข้ามาเหยียฉันออกในะคราวที่เราเป็นเชนนั้นก็ไม่พาไปแล้วสุขพาไปแล้ว นาทียี่สิบนาทีก็กลับมาตั้งต้นใหม่ว่ารู้จักตัวมาตั้งต้นกรรมฐานใหม่ชีวิตใหม่ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยมาใช่อจะไปงมมอ ม, มสาวสา ว, สาวที่มันปลายเหตุมันทำไมทำไมทำไมมันปลายเหตุต้างพูดในใจว่าทำไหม่ทำใหมจึงเป็นอย่างนี้ทำไหมจึงเป็นอย่างนี้มันปลายเหตุรูปคมเหมือน แล้วอาไม้ไปเหย่ะหมามามันกัดปลายไม้โน้นมันไปนรู้เหตุว่าไม้ที่มันเหยาะนั้นะมันมาจากอะไรอะไรที่ทำเราเป็นสุขเทุกข์เราไปสุกไปทุกข์ซะไปพอใจไม่พอใจอย่างปลายเหตุตึงกลับมารู้จักตัวนี่ก็มาตั้งต้นนี่ว่าเหตุมาทําที่เหตุตัวนี้อย่าไปถึงทําไมทําไมจึงเป็นอย่างนั้น สุขก็เป็นผลไปแล้วทุกข์ก็เป็นผลไปแล้วที่มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์มันเหตุเป็นอยู่ที่นี่คือไม่ได้กลับมารู้จักตัวมันก็ไปทุกเรื่องทุกอย่างมากมายแล้วเราก็เคยไปทางนั่นแบบนั่นมาก็ง่ายง่ายที่จะหลงง่ายทจะถูกง่ายที่จะทุะก ง่ายที่จะผิดง่ายที่จะถูกง่ายที่จะพอใจไม่พอใจเอาไปใช่อย่างนั่นซ่าวิธีปฏิบัติวิธีการจเจริญสตินี่มันก็ตั้งต้นก็แยกทางกันนะสวนทางกันถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมามาลู่จุดตัวเยา ว, ว่าสติปทาน ถ้าพูดว่าถอนทำใมันรู้สึกว่ายากถ้าพูดถึงกรรมฐานมันพลังเป็นพลังเป็นเป็นแรงร่วมเป็นแรงเสริมกลับมารู้สึกตัวไม่ได้ถอนเลยมันเป็นแรงเถือเชื่องถระุนกระตุ้นแรงให้มันมีแรงมากขึ้นกรรมฐานเลย กลมารู้จักตัวเนี่ยช่วยแต่เจอวิชากรรมฐานไม่ใช่เป็นนั่งหาคําตอบจากความคิดส่วนมากภาหาคําคตอบจากความคิดผิดถูกให้ความคิดพาให้ผิดถ้าคิดว่าถูกก็เอาความถูกจากความคิดถ้ามันผิดเอาความผิดจากความคิด น, นั่น ก็จะไปไกลเหมืนพบเป็นชาติไปในความคิดไปในอาการต่างต่าที่เกิดกับกลิ่นใที่เป็นนามธรรมาเอาอาศัยให้เขามาตั้งไว้จ้าไม่ได้เอาความรู้สึกตัวประตั้งไว้ที่นามธรรมาเอาให้อื่นมาตั้งไว้จ้า ให้เนสุขเป็นทุกให้เป็นพอใจไม่พอใจเราจึงอาศัยลูกนี่ให้อาศัยเป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้จึกตัวในนามที่มันรู้อะไรได้เป็นวิญญาณธาที่มันรู้อะไรได้ก็ให้มันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวเราใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วมันมาให้เราใช้ ที่ถูกต้องที่สุดท้าใช้อาศัยการให้มีความรู้สึกตัวใช่ถูกที่สุดเลยอาศัยที่จิตด้วจิตแบบพ้ะนี่ให้มันมีความรู้สึกตัวที่ว่าใช่จิตที่เป็นความถูกต้องเราไม่เคยใช่แบบนี้มานานก็มาหาดใช้กันให้มันใช่ให้มันเป็นก็คือมาฝึกกรรมฐานนี่แหะ นั่งคู่แขนเข้าเ๋ย่าแขนออกรูปแบบกรรมฐานจิจจังมะเพียงพอหัดได้ไวมันหัดได้ทุกชีวิตน่้เป็นรูปทมเป็นนามทำมันหัดได้ทุกชีวิตทุกผู้ทุกคนไม่เกี่ยวกับชาติชันวรรณะรัทธินิกายเพศวยัยใด าาหัดอย น, นี้ได้เหมือนกันหมดคนหนุ่มคนแก่ก็หัดจยางนี้ไม่ใช่คนแก่หัดจยางหนึ่งคนหนุ่มหัดจยางหนึ่งคนแก่คนที่คนฟิกกอนเดินไม่ได้ก็หัดได้มันมีการเคลื่อนไหวชนได้ชนหนึ่งอยู่ในรูปหรือว่ากายบรับพระนอหายใจบ้าง การเคลื่อนไหวของกายเหมือนกันอาณาปพภะหายใจเข้าหายใจออกคือรู้สึกตัวเหมือนกันกับคู่ฉันเข้าเยี่วฉันออกก็รู้สึกตัวเหมือนกันจิตบพพะที่มันชี้ไปโน่นคือการเคลื่อนไหวของจิตก็รู้สึกตัวเหมือนกันกับกายมันเหมาะจริงจริงสติมันไปเหมาะกับการใช้ชีวิตทั้งหมดพิบตาหายใจคือน้ำลาย ตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเจ้ามูได้กินลิ่นในรถไอ้สมผัสกิจมาคิดก็บลูกักตัวเหมือนกันหัดมีสติเป็นเจ้าเหลือนเจ้าของเจ้าถิ่นให้เป็นผู้อยู่ไว้ก่อนจึงจะรับว่าคันตุกะมามีเจ้าของดูไว้ก่อนตั้งไว้ก่อน อารเดินมาที่หลังกับลูกเพราะว่าเป็นเจ้าของนั่งอยู่นี่จึงมีกรรมเป็นที่ตั้งการกระทําป็นที่ตั้งใช้ชวิตวันมาตั้งมาเป็นเจ้าของกายมาเป็นเจ้าของจิตใจให้มีสิทธิ์เต็มที่ใช่สิทธิ์เรื่องกายเรื่องใจให้รู้จักตัวก็มารู้จักตัว เรว่าใช่สิทธิ์เป็นชอบทำที่สุดต่อมันเป็นสุกเป็นทุกข์มันได้ใช่สิทธิ์ตนนี้ให้เขาไปใช้แล้วให้สุกกอไปใช้ให้ทุกข์เอไปใช้ให้ผิดเอาไปใช้ให้ถูกเอไปชายมากมายที่มันจะเอาไปใช้เจ้าของมีก็ไม่ใช่สิทธิ์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ ปล่อยตัวเองหลงทั้งที่รู้ว่ามันหลงรู้ว่ามันไม่ดีมันโกรธก็ยังให้มันโกรธอยู่รู้ว่ามันไม่ดีให้มันโกรธอยู่ปล่อยให้ไปเหมือนไดูเลยไม่รับผิดชอบป่อตัวเป็นสุขนทุกข์ถือว่าไม่รับผิดชอบตัวเองให้เกิดความบันทมเป็นบาปนกาำผิดศีลด้วย สินที่เป็นสินศึกขาเป็นสินพระเลียเจ้าสินที่ทํำไมเป็นพระเลียเจ้าคิดผมไม่ได้ประพฤัจจุบันทําให้กายไม่บริสุทธิ์ทําให้จิตไม่บริสุทธิ์ขอให้ความสุขความคิดเกิดขึ้นติกล่าวที่ใจกับมือจุกตัวในเป็นการรักษาศิล อะไรกิดขึ้นมาอมีศินตอนที่มันจะพิษนั่นแหละมัน่ใช่สินที่ไปรูปคําไปหลับหูหลับตามันจะพิดตรงไหนรู้สักตัวน่ะเป็นสินจึงจะเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญามันรู้มันเห็นแล้วมันรู้มันไม่ถูกต้องทุกก็ไม่ถูกต้องทุกก็ไม่ถูกต้องอีกว่าศินสมาธิปัญญา ไม่ใช่ศีลเรหูเราตาเป็นก้อนหินที่เป็นก้อนหินนั้นหมายถึงวุฒธรรมที่มไม่ไหวหวั่นไหวไอ้ชก้อนหินเป็นสิน่งมันมีความไม่หวั่นไหวลงพัดไม่เคลื่อนไม่ไหวการไปเคลื่อนไม่ไหวที่เป็นวัตถุเปรียบเทียบกับสีเหลา่าศีลตัวนี้แต่ว่าชีวิตของเรามไม่หวั่นไหว ไม่หวนไหวมันมี App, มนกลับมารู้สึกตัวนี่ไม่หวนไหวกลับมารู้สึกตัวไม่หวนไหวลมพัดกลับมารู้จักตัวมันจะดีใจกลับมารู้สึกตั ว, มมตวลมเป็นควาสุขความทุกข์สุกขก็สุกขไปปลิวไปแล้วทุกข์ก็ทุกข์กไปปลิวไปแล้วเห็นเหมือนสุกไม่เป็นผู้สุข จ้าความสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจ้าความทุกข์เนี่ยสิ่เกิดขึ้นแบบนี้ที่ว่าประพฤติพรมจันทร์เห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขพ้นจ้าความสุขนี่ผมจันทร์กาลังขอตัวขึ้นมาเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงค้นจ้าความหลงเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาให้ใช่หลักใะอย่างนี้วิธีเดียวเท่านี้วิธีเดียวเท่านี้ จึงว่าน้อยๆ้อยในหลักอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยในโลธมรรคพุทธเจ้าตัดจะลู่ตรงนี้ก็คือนีเหตุกับผลทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุสมุทัยคือไม่ไม่คือมันหลงนี่แหละปล่อยตัวสุขปล่อยทังคุกขเป็นทิด เอาลูกเป็นสมุทยัยเอาน้ำเป็นสมุทยัยเอาหูจะบูกเร่งหาใจหลงโฟตาหลงพโฟหูหลงพโฟจมูกเร่งกาใจทำไมจึงหลงพโฟไม่มีความลูกเป็นเจ้าเรือนเป็นกายที่เถื่อนเระใจที่เถื่อนไอ้มีเจ้าของเอาหิ้วไปไหนก็ได้ เึงนเป็นเจ้าของรักษาเท่านี้มันเกิดขึ้นเท่านี้เท่านั้นไม่มากเกิดขึ้นที่กายที่ใจเท่านั้นแล้วก็อยู่นี่เราก็มีกายมีใจอยู่กับเราตลอดเวลาไม่สติจับกายมาใช้จับใจมาใช้จะหัดคิดก็หัดคิดแบบใช้มันคิดมาให้มัน ความคิดไม่ใช่เราแต่ใช่กายก็จับกายมาใช่ไม่ให้กายไม่ใช่เราถ้าเรานั่งอยู่คิดจะลุกความคิดใช่เราลุกเดินอยู่มันคิดจะนั่งความคิดภายเรานั่งแับ น, นี้เราจะตวงจากแต่ว่าเราจะนั่งของเราเองเราจะลุกของเราเอง ไม่อันอื่นมาใช่ไม่ให้สุขมาใช่ไม่ทุกข์มาใช่ไม่ผิดมาใช่ไม่ถูกมาใช่ให้เราเป็นสิทธิของเราเองกลับมา้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวไม่ได้ไปต่อสู้กับนะไยไม่ได้ไปป้องกันอะไรไม่แต่ตัวปฏิบัติล้วน ง่ายกว่าที่เป็นฉุกง่ายกว่าเป็นทุกข์ก็มารู้สึกตัวเนี่ยนี่คือปฏิบัติธรมรมสนุกดีแล้วก็เกิดที่เราเห็นอยู่ไม่ลี้ไม่ลับถ้าเป็นอกุศลก็มาก่อโง่โ ง, ง่ไม่รีบไม่ปิดไม่บังไม่รับไม่ลี้เห็นอยู่ทุกคน ความโกรธเห็นอยู่ทุกคนความทุกข์เห็นอยู่ทุกคนความโลภเห็นอยู่ทุกคนความลหามลงเห็นอยู่ทุกคนนะไม่รี้รับบางทีคนอื่นก็เห็นมันงูงูสตินี่รู้เราก็เห็นส่วนตัวส่วนตัวไม่ต้องถามใคร ไม่ต้องใครมาเจ้ให้เจ้ได้หมดสิ่งที่เกิดกับกายกับใจที่เป็นตรงโต้ตกันข้ามกับความรู้สึกตัวนี่เหมันเจ็บก็คือรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวก็มีสติปัญญาที่จะดูแลสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับกากับใจอย่างถูกต้องไม่หลงไม่งูอะไรเกิดขึ้นมา เกี่ยวกับกาถ้าเป็นโลกทุบโลกถ้าเป็นรูปโลคที่เป็นโลกเชื่อโลกก็มีอะไรก็ที่ไปดูแลรักษามีมือที่สองที่สามช่วยได้มีโรงไปบานมีหมอมีหยกมียามีเพื่อนมีมิดโรคโลกแล้วเป็นนามโลกไม่มีใครช่วยเราได้ ความโกรธความโลภความหลงไม่มีหมอประลักษาให้เราได้ไมีธรรมเท่านั้นมีสติเท่านั้นที่รักษาโลกของนามความโกรธความโลภความหลงของกิเลสตัณหาหละคาต่างๆกว่าโลกของนามนามโลกนามโลกรักษาง่ายกว่าลูกโล ก, โลก ไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลสองหมอช่วยเป็นส่วนตัวเองคนเดียวลัดเนื้อมือเดียว่คนเราไม่เข้าใจนึกว่ามันยากปฏิบัติมาได้เพราะไม่กิเลสหนาสยากอะไรเป็นกิเลสถ้าเป็นนมามธรรมน่าย ถ้าเป็นลูกมาทำมาต้องดูแลกันรับผิดชอบกันผู้มีลูกก็รับผิดชอบลูกแต่ปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่เกี่ยวผู้มีเม่ก็ดูรับผิดชอบลูกเมียให้เราเป็นคนดีเป็นพ่อคนแม่คนก็เราเป็นคนดีไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่ใช่เป็นความลัก ที่เป็นตัวเป็นตนไปเป็นยึดว่าตัวเราของเราเรารลกลูกรลกเมียเลกพ่อรลกแม่รลกเพื่อนรลกเม็เราก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอันนี้คือปฏิบัติธรรมลโลกนามโลกรูปทุกนามทุก รูปทำนามทำมันทำชัว่วมันทำดีรูปสมมุตินามสมมุติมันบัญญัติเอาเป็นสมมุติมาพายเป็นศุกรเป็นทุกต่อเห็นรูปก่าสมมุตมิบัญญัติขึ้นมาว่าชอบไม่ชอบอันนั้นมันเป็นโลกรูปโลกนามโลกหมดเนื้อหมดตัวมันมีรูปมีนามไปรับใช่ สมมติบัญญัติบัญญัติเอาขึ้นมาว่าชอบไม่ชอบหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดิ้นในรูดกายสัมผัสจิตใจคิดขึ้นมาก็เป็นฉุกเป็นทุกข์พวมคิดนั่นล่ะลูกลกนามโลกพอมกันำสําำลังเร็จบินบาวสําเร็จกายกำลังวิจิกรรมวโนกรรมเป็นอกุศลเกิดขึ้นที่ลูกที่นามนี่ จะเป็นกุศลก็เกิดขึ้นที่นี่ก็ว่านันเห็นมาลูกศักระวะศักตะวามีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจเออ น, นั่นในดูเล่อกายใจเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลื่อนมือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มันก็มีโศกมทุกข์มีโกรธมีโลภมีหลงมีกิเลิตัณหามันไม่อาศัยว่าไม่มีขาเดินมาได้ไม่มีจิเลตัณหาไม่มีความทุกข์เดินเคลื่อนไหวมาได้ไม่ใช่บ่ามันมีความทุกข์มีกิเลิตัณหาล่ะคบมีความโกรธโลภหลงมีเหมือนกันหมดคนเดินไม่ได้ก็มีคนเดินมาได้ก็คนเดินได้ก็มี เรื่องที่จะเป็นกุศลอกุศลมีเหมือนกันหมดมันตั้งอยู่ที่รูปที่นามไม่เหมือนกันหนตาบอดหูหนวกก็มีกุศลและทำเกิดขึ้นปฏิบัติธรรมก็หูหนวกตาหมุหัวตาบอดก็มีกุศลและทำเกิดขึ้นได้ปฏิบัติตายมันหลงกัรู้จักตัวมันถูกคนรู้จักตัวมันถูกคนรู้จักตัว ไปไปเห็นคนตาบอดอยู่ที่นิวอยู่ที่ชิคาโกไปดูตึกเสียสูงร้อยยี่สิบสามสิบชั้นเอาพานั่งรถไปอนต่อดยืนพิงกำแพงเด็กกีตาแล้วก็ เอากระเป๋าวางไว้เปิดกระเป๋าออกมีดอนล่ออยู่ตรงนั่นไม่กี่อันแล้วก็ดึนพิ่งกำแพงดิจิตา้ายืมเยมแฉมใสก็เลยขนาดนั้นรถก็วิ่งไม่ไหวก็ชวนนะวนขับรถคนเจ้าเรือนเอยังจำชื่อได้เนาะคนเจ้าเรือนเป็นพยาบาล เหตุผลจะเลือนหยุดดูเช่นน <men> ี้ดูอันนี้จีเขก็หยุดดูอะไรอะไรนั่นดูคนต่อบดเดินจีติดาอยู่กําแพงนั่นรู้สึกเวอรหน้าตายิ้มแยมแจ่ใสไม่มีอะไรลอยความทุกข์เลยเขาเดินด็กําแพงอเดืนเด็กกีตาร์จูกําแพงนั้นแล้วก็มองหนูโถ เอาเลยคนเช่าเรือนก็ขับรถเบนมีรถเ้นครับมีตึกมีบ้านให้คนเช่าสองสามหลังมีรอยยิ้มอย่างนี้ไหมเขาก็กลับมาถูก้องไม่เหมือนคนอื่นเลยก็ได้สติขึ้นมาอเรามีรถเ้นขับมีบ้านให้คนเช่ายังไม่มีรอยยิ้มเหมือนเขาเลยนี่เขาไม่มีอะไรตาก็ปวดก็ดีคิดตาเยะ ในบางทีก็จะไปดูถูกกันมาได้รูปทนาน้าทารับใช้ต่างกันวันนี้มามีสิทธิ์ใช้รูปเช่น้าเป็นเจ้าของดูแลให้มันคุ้มโดยอาศัยกรรมฐานแล้ดูแลคุ้มปวอดไปที่สุดถึงมกถึงผลได้เป็นพระอายะุคคลชั้นใดชั้นหนึ่ง ถนความพอยใจและความไม่พอใจออกมาทางไปสู่พระยะบุคคลวันสุขเห็นวันสุขไม่เป็นผู้สุขไปทางนี้วันทุกเห็นวันทุกไม่เป็นผู้ทุกไปทางนี้มันผิดเห็นเหมืนผิดไม่เป็นผู้ผิดไปทางนี้ความผิดความถูกเกิดขึ้นในกาวที่ใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกาวที่ใจที่รูปที่นามนี้มรรคผลเกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้ ความไม่เก่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้ความเก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้เราจะไปทางไหนเลือกได้เลือกได้ไดปฏิบัติได้ให้ผลได้วิธีปฏิบัติเห็นหมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากทุกเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขพ้นจากสุขเห็นเลยทุกอย่างให้ทำอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรม การเจ็บอารมคือ็เก็บอย่างนี้สี่สิบวันให้ทําอย่างนี้ทำนี้ทำนานสี่สบวันได้ชํานานในทางนี้ก็มันจะชนานํานาญได้ก็ง่ายที่จะหลงหรกง่ายที่จะรู้แข่งกับมันนะมันทำไมจะมาํานานมาให้เราเป็นตัวแข่ง นักกีฬาที่มีคู่แข่งนักมวยที่มีคู่ชกคู่ซ้อมมต้องเก่งความหลงซ้งมไมเกิดความรู้คู่ชกความรู้สักตัวเหมือนกับกำลังคนละาข้าศึกนักลบกชำนาญในฝึกลงสนามในใจภูมิที่ที่ดีใจภูมิที่ดีก็อาศัยกายเป็นัยภูมิอาศัยใจเป็นใจภูมิเป็น สมองแลภูมิลู้กับข้าศึกมันเกิดที่นี่แหละเห็นข้าศึกทุกรูปแบบเกิดขึ้นที่กายใจนี่สติก็เป็นอยู่สนามนี่แล้วอยู่สมองแลภูมินี่แล้วมาเท่าไรก็รู้ทันทีนกําลังพนที่แม่นมีอํานาจบาปได้นะ แ, แม่นไม่ผิดสักทีเลยเอะไรมาก็รู้ กลับมารู้สักตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สักตัวเนี่ยกำลังคนน้อยปราบค่าจิตได้มากสำหรับทุกชีวิตน่าจะยิ้มพอใจนั่งอยู่ในเต้นในปกอยู่จงกรมไม่มาฉุรีดไม่ต้องเอาหน้าดำคำเคียดผู้มีสมองและภูมิใจภูมิที่ดีมันก็มีโอกาสเสมอล่ะ มันไม่ยากง่ายรู้มันง่ายกว่าหลงรู้มันง่ายกว่าสุขกว่าทุกตัวชำนาเราโอ้ความชำนาจะพาให้เราเป็นศาสตร์เป็นชิ้นเงินมาเทียบอะไรกับอะไรก็ได้ความรู้จักตัวนงโอ้มาเกิดตรงกันข้ามเัยทุกอย่างเกิดที่รู้ที่หลงนี้เท่านั้น ต้นเหตุ้องคืดหลงถ้าหลงรู้จักตัวก็ตรงกับข้อมหลงกว่าดีแล้วเหมือนแสงสว่างกับจัดข้อมืดแล้วก็เหมาะจริงจริงมีกายมีวิชากรมามากรมฐานขโมอจิตง า, านใช่กายหมอกจิตการใช่จิตใจใช้รูปเรียนามวิชากรรมฐานเป็นศาสตร์ที่มาใช่กายใช่ใจอย่างถูกต้องชอบทำที่สุด ไม่ใช่คุยชาความรู้เหตุผลอะไรเราใช่ฟีตนะจะให้สุบใช่ทุกอันนั่นก็ของเราอันนี้ของเราเราพอใจเราไม่พอใจเราชอบเราไม่ชอบมานานเท่าไหร่เคยชอบก็ไม่ชอบไม่แต่สมมุติบัญญัติเต็มในรูปในนามไม่สมมุติบัญญตัติใช่รูปใช่นาม เอความไม่ชอบเอความไม่เอาควา ม, ม, อ ช, อา ช, วามชอบเมื่อมีความไม่ชอบก็ปฏิเสธวิธีปฏิเสธก็ทำอะไรหลาย่างที่ให้นเกิดขึ้นผลบาปเป็นกรรมคมชอบก็ทำลงไปให้แสดงออกด้ความชอบยมีมั่นถือมันเป็นตัวเป็นตนอารมณ์เกิดอาลมณ์ก่อนยืดวายยืดวายยืดวาย ก็หมหมมเขาก็ไปกลายเป็นอกุศละธรรมะยิ่งใหญ่ลงโทษกับคนที่ใช่ความชอบไม่ชอบ mm hmm. เสียผู้เสียคนเกิดความรักก็ฆ่ากันตายเพราะความรักควอมโกรธก็ฆ่ากันตายเพราะความโกรธออกมาใช่เป็นทุกข์เป็นโทษยังเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ปลอดภัยแล้วชีวิตของเรา ออจนถึงกับว่าเห็นทุกอย่างที่มันเกิดกับการกับชจนีได้บทเรียนมาในวันกรรมฐานได้บทเรียนมาจากวิชากรรมฐานอันเดียวจบมาตลอดพบตลอดชาติสี่สิบปีห้าสิบปีจบไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดโงกง้มขึ้นมาใหม่เหมือนเชื้อลูก ก็จบไม่เป็นอะไรกับอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจก็ไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอะไรไมีแต่เห็นไม่เป็นมีชั่นเชิงแบบนี้นักปฏิบัติต้องมีอัน้สงแบบนี้อ๋สมควรใจเวลา กับพร้อมกัน